ตั้งเป้าเอาใจรักงานงานที่คุณรักช่วยให้คุณคิดอ่านได้ฉลาดขึ้นทุกวันงานที่คุณเบื่ออาจกดดันให้คุณหัวทึบลงเรื่อยๆสำหรับคนทั่วไปยอดแห่งลาบอันน่าให้โลกคือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรื อ, อยังน้อยก็ต้องเล็ก้ายสองตัวสำหรับคนหยิบมือหนึ่ง บอกว่ายอดแห่งลาบอันน่าสแสวงหาคืองานอันเป็นที่รักงานอันจอจิตจอใจได้เต็มๆทั้งวันคนจํานวนน้อยคนพบความจริงในชีวิตว่าอารมณ์สนุกและจิตที่เป็นสมาธิอยู่กับงานสําราญกว่าอารมณ์กระเจิงและจิตฟุ้งซ่านสุดกู่อยู่กับเลขหวยที่สําคัญที่เป็นผลพลอยได้อันน่าชื่นใจอย่างยั่งยืน คืองานอันเกิดจากสมาธิอย่างใหญ่ที่ต่อเนื่องยาวนานมักให้รางวัลเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เกินกว่าไรายได้จากสลากินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล น, นับสิบปีรวมกันถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดให้แต่ละวันว่าต้องทําอะไรพฤติกรรมจึงอาจแกว่งไปแกว่งมาตามคลื่นลมยิ่งกว่าเรือขาดหางเสือ ไม่มีความคืบหน้าไม่มีจุดหมายสูงสุดไม่มีอะไรหยุดความฟุ้งซ่านออกอ่าวได้ตลอดชีวิตในชีวิตหนึ่งอะไรจะให้ความรู้สึกเคว้งคว้างไปกว่าการยิ่งแก่ตัวยิ่งไม่รู้ว่าออกอ่าวมาถึงไหนแล้วในชีวิตหนึ่งอะไรจะให้ความรู้สึกไร้ค่าไปกว่าการเห็นว่าใจตัวเองไม่มีค่าไม่มีอะไรน่าให้ความสาคัญเลย ในชีวิตหนึ่งอะไรจะให้ความรู้สึกแย่ไปกว่าการไม่มีความเต็มใจจะอยู่ไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งงานที่ใจรักคือกิจกรรมที่ดึงดูดใจให้ติดอยู่ได้นานๆใจรักงานเป็นอาการทางใจที่มีแรงดึงดูดสิ่งมีค่าเข้าหาตัวใจที่รักงานมีหลายสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในตัวของมันเอง คุณจะรู้สึกคลิกกับหลายสิ่งหลายคนหลายเหตุการณ์ที่ตามมาถึงขั้นต้องรำพึงว่าทำไมถึงโชคดีลงตัวพอดิบพอดีอย่างน่าอัศจรรย์อย่างนี้เมื่อค้นพบใจที่รักงานคุณจะนึกขอบคุณความเป็นมนุษย์และไม่อยากให้ความเป็นมนุษย์สิ้นสุดลงแต่ถ้ายังค้นไม่พบยิ่งวัน คุณจะยิ่งเฝ้านึกถึงค Se <ooh> ําถามของเด็ก <ùng> น <co ay> ้อยเช่นคนเราเกิดมาทำไมจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเหตุใดจึงต้องทำโน่นทํานี่ตามสังคมสั่งไม่เลิกด้วยการค้นพบงานที่ใจรักมักไม่ได้เริ่มก้าวแรกจากใจหวังเงินแต่ออกตัวจากใจที่หวังเอาสนุกเข้าตัวหรือหวังทำประโยชน์ให้คนอื่น หวังเอาสนุกเข้าตัวอาจพาเราไปพบกับเกมกีฬาเครื่องดนตรีหรือศิลปะอันร้าวใจจนอยากเอาตัวเข้าไปคลุกคลีตีโมงคุ้นเคยถนัดมือและกระทั่งคร่ำวอดในวงการหวังทำประโยชน์ให้คนอื่นอาจพาคุณไปพบกับสถานการณ์ลำบากเล็กน้อยของใครบางคน ต่อเนื่องไปถึงหลายสถานการณ์ยุ่งยากของใครบางกลุ่มและกระทั่งต่อยอดได้ถึงสถานการณ์ลําบากของหมู่คนครึ่งประเทศสถานการณ์ที่ว่าก็เช่นอยากพักแต่ไม่มีใครช่วยทํางานแทนอยากกินขนมอร่อยกว่านี้แต่ไม่มีใครในซอยทําขายอยากได้ความรู้ความเข้าใจง่ายๆแล้วไม่มีใครจัดให้ คุณจะแปลกใจว่ายิ่งช่วยให้คนมีความสุขยิ่งช่วยให้คนได้สิ่งที่ต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าถึงความสามารถของตัวเองได้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นความรู้ความสามารถที่กว้างขวางลึกซึ้งจะพาคุณไปเจองานที่รักและรู้จักใจที่รักงานเองโดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆอาศัยความสนุกความสะใจที่ได้ทาก็พอ นานไปคุณจะพบว่าตัวเองไม่ได้ทำแค่งานอันเป็นที่รักแต่ยังสะสมบารมีสร้างสมคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันโต ว, วันด้วยแน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นบางคนอาจไม่ชอบบางคนอาจไม่เห็นด้วยหรือบางคนอาจกระทั่งรังเกียจงานที่คุณทำและบางคนดังกล่าวอาจมีอิทธิพลทางใจให้คุณไขว้เขวได้ ทางหนึ่งที่คุณจะไกว้เขว้น้อยลงคือตั้งใจให้งานอันเป็นที่รักมีอิทธิพลในทางใดทางหนึ่งกับเขาหรือพวกเขาแบบที่จะมีความสุขหรือแบบที่จะมีความยินดีบ้างไม่มากก็น้อยความพยายามของคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จได้รับการสนับสนุนหรือต่อต้านจากคนรอบตัวก็ตามอย่างน้อยก็เป็นความพยายาม เพื่อคุณค่าของตัวเองอย่างไรก็ต้องรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าน่าชื่นใจขึ้นมาบ้างคุณอาจแปลกใจว่าคนใกล้ตายส่วนใหญ่รำพึงรำพันเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ฝันอยากทำมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตไม่รู้เลยว่าใจรักงานที่เติบโตขึ้นเป็นตัวตนแท้จริงของตนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร ชีวิตที่ผ่านมาจะต่างไปได้ขนาดไหน